กระผมขอเสนอความเห็นของกระผมบ้างความเห็นในข้อหนึ่งที่ว่าชาวบ้านต้องการถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ใช่สิ่งที่ดีมีสิ่งที่ดีกว่าทําไมไม่เสนอสิ่งที่ดีกว่าให้มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งมาที่กระผมบอกอาจารย์ช่วยแนะนําเขียนเรื่องสูตรนี้ให้หน่อยชาวบ้านเขาจะพิมพ์กระผมดูแล้วดูอีก ผมบอกว่าถ้าเขาจะพิมพ์อันนี้ท่านแนะนําให้เขาพิมพ์พาหุงดีกว่าแนะนําให้เขาพิมพ์รัตนนาดีกว่าอย่าพิมพ์เลยอันนี้ความสู้พาหุงไม่ได้สู้รัตนนาสูตรไม่ได้โดยประวัติดีกว่าเนื้อหาก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมช่วยเขียนคํานำเรื่องนี้ผมไม่เขียนท่านบอกว่าชาวบ้านเขาต้องการแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่านี่คืออะไร ระหว่างนี้กับอันนี้อันไหนดีกว่าเขาไม่รู้เขาเห็นมีคนโฆษณาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาก็จะเอาแต่ทีนี้ท่านรู้พระคุณเจ้าเป็นผู้รู้ทําไมท่านไม่ชี้แจงต่อเคยมีคนจีนมาหากระผมเหมือนกันพิมพ์อะไรต่ออะไรลักษณะนี้เหมือนกันผมบอกอย่าพิมพ์เลยอันนี้เสียเงินเปล่าพิมพ์อย่างนี้ดีกว่าถ้าจะพิมพ์ไม่มีอะไรจะพิมพ์ พิมพุทธศาสนาสุภาษิตดีที่สุดเลยอ่านเท่าไรก็ไม่เบื่อนักทำตรีนักทำโทนักทำเอกนั่นแหละอ่านเท่าไรก็ไม่เบื่อเวลานี้กระผมก็ใช้อยู่พุทธศาสนาสุภาษิตเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามมีรสไม่จืดยังดีกว่าที่ให้เขาไปสวดไม่รู้เรื่องอะไรไปสวดอะไรโดยไม่รู้ว่าเป็นอะไรซึ่งในทางศยศาสตร์ขออะไรก็ไม่รู้อะไร กระผมมีความคิดเห็นแบบนี้ถ้าชาวบ้านเขาต้องการเราก็มีสิ่งที่จะเสนอให้เขาที่ดีกว่าได้ประการที่สองที่ว่าให้ถือไปก่อนอันนี้กระผมเห็นมาเยอะแล้วให้ถือไปก่อนปรากฏว่ายิ่งถือยิ่งติดน้อยคนที่จะเลิกได้ในภายหลังยิ่งถือยิ่งติดยิ่งเล่นยิ่งติดยิ่งสะสมมากขึ้นมากขึ้นทีแรกคิดว่าให้ถือไปก่อน เอาจริงเข้าไม่ไปก่อนถือเอาจริงๆถือเอาเป็นจริงเป็นจังเลยมีอุบาสิกาบางคนมาเรียนธรรมะบอกว่าสามีดูแต่พระเครื่องชวนให้เรียนธรรมะไม่เรียนชวนเท่าไหร่ไม่เรียนเอาหนังสือธรรมะให้อ่านไม่อ่านดูแต่พระเครื่องข้าวัดก็ไปหาแต่พระเครื่องคุยเรื่องพระเครื่องมี พ, พวกที่แรกก็คิดว่าให้ถือไปก่อนเสร็จแล้วติดเลย ฝ่ายพัญญาเข้าหาธรรมะพระเครื่องไม่เอาอ่านหนังสือธรรมะปฏิบัติธรรมะมาทางธรรมะได้รับประโยชน์จากธรรมะข้อที่สเป็นอุบายอย่างหนึ่งชักจูงคนเข้าหาศาสนากระผมอยากเรียนว่าอุบายอย่างอื่นไม่มีแล้วหรือหรือว่ามีแต่อย่างนี้อย่างเดียวหรือว่าท่านทั้งหลายผมว่าพวกเราตําหนิรัฐที่ว่าหาเงินโดยวิธีขายเหล้าขายบุหรี่ ซึ่งรู้ว่าเป็นโทษแต่ยังเป็นเจ้าของเขามีเหตุผลของเขาเหมือนกันบางทีวัตถุมงคลที่เขาทำกันมากมายถึงกับแย่งกันและบางแห่งก็เหยียบกันตายจุดประสงค์คือหาเงินมากกว่าเพื่อทำอะไรสักอย่างหาเงินเข้าวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าเป็นอุบายชักคนเข้าห า, าศาสนาเรามีวิธีอื่นหรือไม่ที่จะชักคนเข้าห า, าศาสนา บางคนบอกว่าถ้าเพื่อต้องการจะช่วยเหลือเขาจริงๆหรือต้องการจะอนุเคราะห์สมเคราะห์จริงๆทำไมไม่ทำแจกทำไมจึงทำขายด้วยราคาแพงๆตั้งราคาไว้เสร็จว่าองค์นี้ราคาเท่านี้เท่านี้ทำไมไม่แจกว่าสมเคราะห์อนุเคราะห์ใครต้องการก็มารับเอาไปทำไว้แล้วจะทำบุญทางนี้ไม่รับนี่ก็เป็นหลักการที่ได้เรียนเสนอไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว ที่กระผมพูดเพียงต้องการเสนอหลักการว่าพุทธศาสนาก็มีหลักการอย่างนี้แต่ทีนี้วิธีปฏิบัติหรือในชีวิตปฏิบัติจริงๆมีความจําเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรมีเรื่องราวอะไรอย่างไรในสังคมเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอันนี้แล้วแต่ท่านผมมีหน้าที่กราบเรียนถึงหลักการทางศาสนาว่าเป็นอย่างไรในภาคที่ว่า จะทำอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายอยู่ภาคสนามเกี่ยวข้องกับคนท่านย่อมจะทราบว่าอะไรเป็นอย่างไรควรจะทำอย่างไรเรผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งขอกราบเรียนด้วยความจริงใจคนเราถ้านแนะนาให้ถูกต้องเสียตั้งแต่แรกพูดไม่ยากอย่าให้เข้าฝังหัวในอะไรเสก่อนเพราเขาฝังหัวในอะไรเ ส, ก, เรเสก่อนแล้วมาถอนที่หลังมันถอนยากเหมือนกับตึกหลังนี้ ถ้าท่านจะรือ้อท่านต้องรื้อข้างล่างด้วยไม่เช่รื้อเฉพาะที่เห็นข้างบนนี้หรือข้างบนโนนข้างล่างลงไปตั้งเยอะกว่าจะขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่ชาวบ้านได้รับเอาไว้เมื่อก่อนไม่ว่าจะรับไว้ผิดหรือรับไว้ถูกก็ตามย่อมจะฝังลงไปฝังลงไปไม่รู้กี่ชั่วคนแล้วพอเอาสิ่งที่ถูกต้องไปให้กว่าจะถอนสิ่งที่เขารับไว้ผิดขึ้นได้ไม่รู้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องใช้คนที่มีบุญบรารมีเท่าไรจึงจะทำได้มีชนะถอนอยากถ้าให้สิ่งที่ถูกต้องเสียตั้งแต่ตอนตอน้นตอนที่เขายังว่างๆอยู่เขายังไม่ได้รับอะไรง่ายกว่าขอกราบเรียนฝากไว้เท่านี้หรือเวลาอีกเล็กน้อยขอนิมนต์แสดงความคิดเห็นถามวัตถุมงคลในพุทธศาสนามีอะไรบ้างตอบ วัตถุมงคลในพุทธศาสนาก็มีมงคลสาสบแปที่จริงจริงให้ไว้ตั้งแต่ระดับต้นเรื่อยไปจนถึงระดับสูงสุดถามผ่านยักษ์ที่สวดในพิธีพุทธาพิเศษหนังสือผ่านยักษ์ผ่านยักษส์สตรมีมาในพระไตรปิฎกหรือไม่ผ่านยักษส์สตรพูดถึงอะไรตอบผานยักษ์แปลว่ายักษ์พูดมีสองผ่านผ่านที่สองเป็นผ่านพระ แปลว่าพระพูดคือมีพวกยักษ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในคืนหนึ่งบอกว่าสาวกของพระองค์อยู่ในป่าพวกผีพวกยักษ์ที่นับถือก็มีที่ไม่นับถือก็มีพวกที่ไม่นับถือเพราะพระโคโดมและสาวกของพระาพาคสอนเฮละปานาติบาศสอนเ้ละอธินนาทานสอนเ้ละกาเมสุมิจฉาจารสุราเมรไรพวกนี้ไม่ชอบ พวกนี้ชอบกินเหล้าก็เลยไม่ชอบภิกษุเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของภิกษุที่อยู่ในป่าขอให้พระสงฆ์สวดคำต่อไปนี้ก็สวดอะไรครับสวดโคตรของยักษ์สวดถึงท้าวมหาราชทั้งสี่สวดถึงโคตรของยักษ์มีลูกกี่คนมีอะไรกี่คนคล้ายกับว่าชรู้จักแกดีนะทำนองนั้นอย่ามายุ่งนะรู้จักดีถึงโคตรแกด้วยนะนี่คือผ่านยักษ์ กราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเช้าขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ภิสูจนทั้งหลายฟังเมื่อคืนนี้มหาราชทั้งสี่มาหาเรามาบอกอย่างนี้อย่างนี้เล่าซ้ําอีกทีเล่าให้พระพิสูจนทั้งหลายฟังซ้ําอีกทีนี่แหละครับเรียกว่าผ่านพระคือพระพุทธเจ้าพูดไม่มีอะไรครับจริงๆแล้วเป็นเพียงเล่าประวัติให้ฟังเท่านั้นเองเสร็จแล้วพระที่เอามาสวดนี่ เท่าที่เห็นก็สวดอย่างเสียงน่ากลัวเป็นการขับยักษ์บางทีก็มีหน้าม้ามาฟังสวดแล้วนอนกริ่งเหมือนกับขับผีออกบางทีก็เป็นหน้าม้าที่เขาพูดกันไว้แล้วเพื่อขลังเพื่อให้คนอื่นเห็นสวดผ่านยักษ์ผ่านพระเป้าหมายก็คือหาเงินนี่คือผ่านยักษ์ที่ท่านถามมีในพระไตรปิฎกเรียกอาตานาติยะสูตรถาม หนังสือยอดพระการตรวิดกมาจากพระสูตรไหนตอบอันนี้ไม่มีครับเป็นเรื่องแต่งแล้วก็แต่งไม่ดีด้วยไม่ใช่แต่งดีความก็ไม่ดีแปลแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ความอะไรเท่าไร่มีบางตอนที่ได้ความหน่อยมีเป็นจำนวนมากไม่ค่อยได้ความเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ยอดพระการแต่คนไปศรัทธาเพราะว่าได้เขียนอนิสงส์ไว้มาก คนอ่านไม่รู้ว่าอันนี้มาจากไหนยิ่งชื่อว่ายอดพระการไตรวิดกด้วยและเขียนอ น, นิสงส์ไว้ร้อยแปดพันประการเหมือนยาครอบจั ก, กรวาลเช่นนั้นคนไม่รู้ก็ถือเอาผมว่าสวดพาวุงดีกว่ามีประวัติดีกว่าธรรมะดีกว่าดีกว่าสวดสิ่งอื่นคนโบราณจริงว่าคาถาห้ามแปลเพราะแปลไม่ได้บางคนเขียนทั้งเล่มเลย มุมะปุปะอะไรก็ไม่รู้ว่าเรื่อยไปของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้มุมะปุปะไม่เป็นภาษาถ้าสมมติเป็นภาษาไทยก็รู้ว่าออกเสียงภาษาไทยแต่ไม่รู้พูดอะไรเป็นอย่างนั้นครับพวกคาถาต่างๆเรื่องขัดแย้งตัวเองเช้าวันหนึ่งประมาณสี่นาฬิกาตื่นขึ้นมาฟังวิทยุรายการต่างๆ หมุนไปพบรายการหราศาสตร์ทำนายโชคชะตาโดยให้ผู้สงสัยโทรเข้ามาถามได้เจอหราจารย์ก็ลองพูดกับผู้ถามอยู่ใจความสำคัญว่าคนเราเมื่อมีความทุกข์ก็ต้องการหาที่พึ่งเขาทำนายโชคชะตาให้เขาผิดอะไรเมื่อคนกลัวราหูเขาบอกให้บูชาด้วยวัตถุสีดำแปดอย่างเขาผิดอะไรคนอยู่ในโลกเป็นคนดีนักไม่ได้อยู่ไม่ได้ ถูกกดถูกบีบตายถ้าค้าขายเป็นคนซื่อสัตว์ก็ค้าขายไม่ได้ต้องพูดโกหกในโลกเขาโกหกกันทั้งนั้นถ้าอยากเป็นคนดีจริงๆต้องไปบวชบวชแล้วสอนให้เป็นคนดีสร้างความเจริญแกศาสนาถ้าจะอยู่ในโลกถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดก็อยู่ไม่ได้อยู่ในสังคมไม่ได้คนเขาไม่ถือกันเราถืออยู่คนเดียวเราก็ตาย พูดไปอีกยาวทํานองนี้และมีผู้โทรเข้ามาบอกวันเดือนปีเกิดแล้วทํานายทายทักกันไปเรื่อยๆฟังอยู่หน่อยหนึ่งแล้วหมุนไปคลื่นอื่นคําพูดทํานองนี้เป็นการขัดแย้งตัวเองเช่นบอกว่าคนอยู่ในโลกเป็นคนดีนักไม่ได้คนซื่อสัตย์ค้าขายไม่ได้ในโลกเ้าโกหกกันทั้งนั้นถ้าเป็นคนดีจริงๆต้องไปบวชพระเสียรู้แล้วรู้รอด บวชแล้วสอนคนให้เป็นคนดีถามว่าจะให้สอนใครและสอนไปเพื่ออะไรในเมื่อคุณบอกว่าคนดีจริงๆอยู่ในโลกไม่ได้อยู่ในสังคมไม่ได้ถ้าสอนให้เขาเป็นคนดีเขาก็อยู่ในสังคมไม่ได้แม้แต่เพียงรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดก็อยู่ไม่ได้เสียแล้วถ้าคนค้าขายซื่อสัตว์ไม่ได้จะอยู่ไม่ได้ในอาชีพค้าขายแล้ว แปลว่าคนที่ค้าขายอยู่ได้ล้วนแต่โกหกหลอกลวงเท่านั้นหรือข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงนอกจากนี้ถ้าจะไล่คนดีๆในสังคมให้ไปบวชเส้หมดแล้วในสังคมคารวะาก็คงเหลือแต่คนชั่วสังคมจะอยู่ได้อย่างไรความจริงเราต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนดีที่สุดทั้งในสังคมพระและสังคมคารวะา คำพูดของหวนทำนองนี้เป็นอันตรายไม่ให้กำลังใจแก่ผู้บำเพ็ญคุณงามความดีในสังคมและขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมของพระพุทธเจ้าขณะเราให้กำลังใจกันอยู่พูดเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกันอยู่เสมอคนจำนวนไม่น้อยก็ยังทำความชั่วยังไม่ได้รักความดีจริง จะทำอะไรก็มองแต่ลาบยศชื่อเสียงที่ตนจะได้ไม่ค่อยได้นึกถึงคนอื่นถ้าโหราจารย์ใหญ่มาพูดทำนองว่าคนดีอยู่ในสังคมโลกไม่ได้แล้วชาวบ้านผู้หลงเชื่อจะไม่ชวนกระละทิ้งความดีมากขึ้นหรือสังคมเราจะไม่แย่ลงอีกหรือวสินอินทศระห6ตุลาคม2538เรื่อง มรดกบุญและบาปแม้จะสร้างพระพุทธรูปให้ท่วมโลกในานามของการบูชาแต่เนื้อแท้คือสร้างเพื่อค้าขายเป็นกิจการที่ลงทุนน้อยที่สุดผลกำไรงามที่สุดแต่ถ้าไม่มอบดวงประเทีบคือปัญญาให้คนแล้วพวกเขาก็ยังคงหลงงมงายอยู่กับการบูชาวัตถุเพื่อผลที่ต้องการคือวัตถุไม่ได้สัมผัสกับธรรมเลยแม้แต่น้อย ไม่มีการกระทําที่เรียกว่าบูชาธรรมอันเป็นหัวใจสําคัญของการบูชาและไม่ได้เข้าแนวแห่งการปฏิบัติธรรมอันเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิตถ้ามนุษย์เราทำอะไรอะไรหลายอย่างเพื่อสิ่งเดียวคือวัตถุหรือเงินเป็นสิ่งตอบแทนแล้วมนุษย์จะเอาสิ่งนี้แหละมาย่ำยีมนุษย์ด้วยกันทําให้พวกหนึ่งเป็นเทวดาอีกพวกหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรก ช่องว่างระหว่างมนุษย์จะห่างออกไปทุกทีเพราะวัตถุรื่งเริงเป็นเหมือนตัวริมตอกแยกมนุษย์ให้ห่างออกจากกาันเหมือนฟ้ากับดินคนพวกหนึ่งไม่ได้รับการเหลียว แ, แลเลยแต่คนอีกพวกหนึ่งได้รับการพนเอาพ น, าพนาเอาใจใส่ดูแลอย่างเลอเลอิศเหมือนลอยอยู่ในอากาศช่นไหนหนอมนุษย์เราจะตระหนักอย่างแท้จริงว่า เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเสมอกันในเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแม้จะแตกต่างกันในเรื่องอื่นบ้างเช่นยศศักดิ์สมบัติเป็นต้นแต่ทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันและลงท้ายอย่างเดียวกันมาแต่ตัวไปแต่ตัวทำไมระหว่างที่อยู่จึงต้องครอบงำย่ำยีเอารัดเอาเปรียบกันมากมายจนฝ่ายหนึ่งมีอย่างล้นเหลือ อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอะไรแม้ปัจจัยพื้นฐานเพื่อดารงชีพก็ไม่เพียงพอพวกหนึ่งหาลาบยศได้ง่ายเหมือนลมหายใจเข้าออกของตนปกติอีกพวกหนึ่งหาได้ยากเหมือนหาน้ำในทะเลทรายนอกจากเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแล้วระบบนับว่าสาคัญอย่างยิ่งในการให้โอกาสแก่คนพวกหนึ่งและปิดโอกาสสำหรับคนอีกพวกหนึ่ง คนมีความสามารถแต่ด้อยโอกาสหรือไม่มีโอกาสย่อมสู้ผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่าแต่โอกาสดีกว่าไม่ได้ตัวอย่างเด็กบางคนฉลาดสามารถแต่ไม่มีโอกาสเรียนเพราะขาดเงินอุดห น, นุนในระบบของเราผู้จะเรียนสูงต้องมีเงินสูงส่วนเด็กบางคนฉลาดสามารถน้อยกว่าแต่มีโอกาสในการเรียนมากกว่าเพราะพ่อแม่มีเงินมากระบบ ถ้าจัดให้ดีก็ให้ความเป็นธรรมแก่สังคมได้ถ้าจัดไม่ดีก็เป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์เอาเปรียบกันอย่างมโหลานเพราะระบบหนุนอยู่เขาทําไปตามระบบใครไปว่าเขาก็ไม่ได้ระบบถ้าสร้างดีก็เป็นมรดกบุญของสังคมถ้าสร้างไม่ดีก็เป็นมรดกบาปตกอยู่แก่สังคมผู้ใดเล่าจะยอมแก้ไขมรดกอันเป็นประโยชน์แก่ตนพวกค้องของตน แม้มีอยู่จํานวนน้อยแต่เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นจํานวนมากล้นผู้มีอำนาจและได้ประโยชน์จากอำนาจนั้นใครเล่าจะยินดีสละเพื่อประโยชน์ของผู้หูชนนอกจากผู้มีใจอันได้รับการอบรมดีแล้วจริงๆในภาพยนตร์จีนเราจะเห็นเสมอที่ผู้มีอำนาจรวมหัวกันกับพ่อค้าพานกันร่ำรวย ปล่อยให้ประชาชนระดับล่างลำบากยากจนแรนแค้นสุดจะพรนน า, นาได้พ่อค้าอาศัยอำนาจของขุนนางขุนนางอาศัยทรัพย์ของพ่อค้ารวมการขูดรีดราษดรแล้วนาลาบผลไปเสนอให้ผู้มีอำนาจเหนือเหนือขึ้นไปเพื่อเป็นเกราะกำบังตัวและเป็นช่องทางให้ขูดรีดราษดรได้ต่อไปโดยที่ราษฎรไม่มีทางต่อสู้ คนรวยเป็นจำนวนมากปากว่าช่วยเหลือบางคราวก็ได้ช่วยเหลือจริงพอใหเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือแต่ลงท้ายก็เอาเปรียบคนจนการช่วยเหลือนั้นทํานานทีปีหนแต่ในวิถีชีวิตประจาวันพวกเขาทำสิ่งที่เอาเปรียบคนจนและคนได้โอกาสอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันถ้าพวกเขาเลิกดำเนินการเอารัดเอาเปรียบคนยากจนเสีย การช่วยเหลือก็ไม่จำเป็นเพราะคนจนมีกำลังมือเท้าพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่พวกเขาขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและโอกาสในการเลื่อนฐานะของตนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจึงต้องเป็นคนจนต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน